คุยกันต่อเรื่องอุโบสถก็ถือว่าจบนะลืมพูดไปหน่อยคือเรามาเทียบกับวันหยุดสมัยนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาจัดอุโบสถสมัยนี้โดยมาประยุกหรือมาริเริ่มทำขึ้นใหม่ในลักษณะใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยนะก็อาจจะใช้คำเรียนแบบ หรืเรียนยุคสมัยว่าเป็นวันหยุดของชาวพุทธใช่ไหมก็คือวันอุโบสถเนี่ยเป็นวันหยุดของชาวพุทธแต่ว่าเป็นวันหยุดอีกแบบหนึ่งไม่ได้หยุดในความหมายเดียวกันไม่ใช่ว่าหยุดงานหยุดการจะได้สนุกสนานบันเทิงแล้วก็ได้กินเหล้าเมายาหรือหาความสุขกันให้เต็มที่นะซึ่งแม้แต่ในยุคสมัยนี้มันก็ เกินเลยไปเกินเลยจากความหมายที่คนจะเป็นก็เป็นการเตือนสติคนในยุคนี้ด้วยแล้วก็มีความหมายพิเศษให้มันมีสาระยิ่งขึ้นวันหยุดข้าวชาพุทธคือวันอุโบสถก็เป็นวันหยุดจากการทําบาปอกุศล น, นีแล้วก็เป็นการยั้งตัวจากเรื่องของการไหลไปตามกระแสของระบบสังคม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 อุบสถเนี่ยท่านจัดเข้าในอนุวัตชกรรมอนุวัตชกรรมอยู่ที่ไหนนึกออกไหมฮะอยู่ในมงคลสูตรที่เราสวดกันอยู่ทานนันจะธรมมตริยาจะญาติกานานันจะสังฆโหอนุวัตชาลิกรรมมานิอนุวัตชกำมกรรมอันไม่เป็นโทษพออธิบายอนุวัตชกรรมท่านก็จะบอกว่าได้แก่การ รักษาอุโบสถนี่ก็เป็นอวัตอนวัตชกรรมแล้วก็วยาวัจจการณะการกระทําวยาวัจจะวยาวัจจะนี่เข้าใจไหมฮะวยาวัจจะอะไรวยาวัจจะเช่นคําว่าวยาวัจกรทีนี้วยาวัจจะเองเนี่ยแปลว่าการขนขวายขนขวายก็คือรับใช้ การบำเพ็ญประโยชน์นั่นเองการไปช่วยเหลืออะไรต่า ง, างๆเอาเรี่ยวแรงกําลังของตัวเองนะเข้าไปช่วยใช้คําสมัยนี้ก็คือรับใช้หรยอวิยาวัจจัก mm. ก็หรือบริเผนประโยชน์หรืออยู่ในแนวเดียวกันนั่นแหละที mm. นี้เรามาใช้เป็นศัพท์ค่อนข้างเป็นทางการว่าวิยาวัจกร mm. ก็หมายถึงว่า mm. เป็นค้าราชกที่มาสมัครใจช่วยเหลือรับใช้วัด mm. ก็เลยกลายเป็นตำแหน่งไปมุ่งไปในแง่การเงินการทองแต่ที่จริงวยาวัตเจนี่มันไม่ใช่หมายถึงเฉพาะการเงินการทองอะ่ะหมายถึงว่าไปช่วยรับใช้เขาบาเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นหลักการที่มีมาตเดิมซึ่งสมัยนี้ก็มาเน้นกั น, อ ย, กนกกอยากจะให้นักศึกษาอยากจะให้นิสิตไปบาเพ็ญประโยชน์ ่อยากจะให้คนมารับใช้สังคมน่ที่จริงสับนี่มันเก่าท่านมีมานานแล้วนอันนี้ก็วยาวัจจะนี่ก็เป็นอนณวัชกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้ายกตัวอย่างอีกใช่ว่าอารามะวันะโรปณนะการปลูกสวนปลูกปลูกป่านก็แปลกนะคือสมัยโบราณนี่สวนป่ามันก็เยอะอยู่แล้วนะ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 เป็นอูห่หรือเป็นถิ่นแข่งอารยธรรมมีความเจริญคนเรานี่มีความเจริญที่ไหนก็จะหักร้างถางพงก็คือทำลายป่าใช่ปลูกเป็นบ้านเป็นเมืองเขาเรียกว่าสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้นะพอาสร้างบ้านแปลงเมืองที่ไหนก็ป่าก็ราบไปนะอารยธรรมโบราณ น, นี้ก็สิ้นสุดไปเพราะเรื่องของการที่มนุษย์นี่มาสร้างอารยธรรมแบบของมนุษย์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 อันนี้มันก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เราคงจะไปสืบยากอยู่พอสมควรแต่โดยทั่วไปแล้วก็เวลาสร้างบ้านแปลงเมืองก็จะทำลายป่าเลเยว่าสมัยก่อนนี้ก็อินเดียก็มีป่าน้อยอยู่แต่ป่าก็มากในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ประทรับอยู่ในวนณ์ภป่าทังนั้นวัดก็เป็นภกลงท้ายชื่อกวัณณนะเป็นป่าแล้วพระพุทธเจ้าประทรับในป่าใหญ่มหาวัน ที่ติดแคว้นตั้งสองสาแคว้นก็ป่า ก, กันมาแต่ว่าหรือภายในเขตบ้านเมืองนอกป่ามานี่ก็อาจจะมีสวนมีต้นไม้น้อยก็ถือการปลูกสวนปลูกป่านี่เป็นกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ที่สำคัญแต่ก็รวมความก็คือถือมานานแล้วแต่มาในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชก็ถือหลักการนี้ด้วยพระเจ้าโศกนี่ก็คงจะรับคตินี้มา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 อยู่ในพวกนี้ก็บําเพ็ญประโยชน์นั่นเองนะท่านก็นบอกเป็นต้นว่างั้นนะเป็นต้นก็คือเยอะแยะนะเอาเป็นว่าการไปช่วยหรือรับใช้บาเพ็ญประโยชน์นต่างๆแล้วเนี่ยนะมันก็อยู่ในชุดเดียวกันการรักษาอุโบสถนี่คนที่รักษาอุโบสถก็อย่างที่ว่าไม่มาหาสิ่งเสพบำรุงเบอตนแล้วก็เวลามันก็มีขึ้นมาเนะีเวลามีอย่างบ่ายก็ไม่ไปหาความสนุกสนาน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 เป็นสันดอ น, นี่ก็ขี่ช่างออกตรวจดูเนี่ยตรวจดูการบำเพ็ญประโยชน์ของพระ อ, องค์โดยเฉพาะก็คือโงโรงฐานเน่คงจะตรวจดูความเรียบร้อยการจัดพวกเข้าของที่จะให้ต่างๆ น, น, นะนี่ก็ฐานก็เป็นเรื่องสาคัญการถวายให้ปัจจัยสี่บำรุงสมณพราหมณ์และขนขัดสงยากไรอันนาถาทั้งหลาย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 ครๆว่าเป็นเรื่องของเหมือนกันหน้าที่ของก้าราชการเลยจะต้องช่วยแล้วก็เรื่องของคนขัดสนยากไร้แต่เรื่องคนขัดสนยากไร้ก็ต้องระวังอย่างที่ว่าว่าในแง่ของผู้ปกครองประเทศชาติจะเน้นในการที่จัดอาชีพให้เขามีงานการทําเพราะถ้าหมดเลี้ยงกันอยู่อย่างนี้ก็พึ่งตัวเองไม่ได้เดี๋ยวก็เลยกลายเป็นเสียนิสัยไป ตนตณาทาบินิกาเศรษฐีนี่ก็เป็นคนมีทรัพย์ก็เอาทรัพย์มาแบ่งปันอย่างนี้แล้วก็เลยเป็นเหตุให้ได้ชื่อว่าอนาทบินิกาเศรษฐีเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถางั้นเป็นสมญาเลยนะตังแต่ว่าต้องทําอย่างหนักมั้งงั้นคงไม่มาเป็นชื่อแกแล้วนี่เพราะชื่อชื่อแกก็ชื่อสุดทัศน์ท่านอนาทบินิกาเศรษฐีเนี่ยชื่อตัวว่าสุดทัดตัดแต่ว่า คนเลยไม่รู้จักชื่อเดิมเลยเพราะว่าไปบำเพ็ญประโยชน์ทําอย่างนี้จนกระทั่งว่ากลายเป็นสมญาเป็นกลายเป็นชื่อที่เรียกกันเป็นสามวันว่าอนาธมินิกาเซตีเอาละครับทีนี้ก็นี่เป็นประเพณีเดิมไปอันว่าที่เห็นชัดก็คือลึกฐานแล้ส่วนกิจกรรมอื่นก็ดาเนินบำเพ็ญประโยชน์เข้าไปเป็นวันอุโบสถก็เป็นวันที่มีเวลามีเรี่ยวแรงกําลังมาทําสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาพัฒนาตนเองในด้านจิตใจและปัญญา อย่างน้อยชีวิตก็เป็นอิสระจากเรื่องของวัตถุเสพไม่หมโห ม, มุ่นหลงแล้วเริงหมมเมาแล้วก็ไม่ชักพายสังคมไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้สังคมมันก็จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามดีขึ้นนี่ก็เรื่องของโอุโบสถนะก็เป็นวันหยุดของชาวพุทธนี่แว่าชาวพุทธหยุดยังมีความหมายหยุดยังมีปัญญาหยุดยังผู้ตื่นผู้รู้